นะพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยคำสอนอะไรคำสอนว่าด้วยอะไรที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเรื่อง อ, อริยสัจนะถ้าบอกว่าอริยสัจเออแล้วพระวินัยนี่เป็นอริยสัจข้อไหนเซนเนี่ยเป็นมรรคหมเป็นไหมเป็นมรรคข้อไหน นะเป็นคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะเบื้องต้นเป็นวีรตีเป็นอะไรไปก่อนใช่ไหมที่สุดก็มีศีเนี่ยก็มีพนิพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นแม้แต่วินัยปิดกก็ยังสงเคราะห์ลงในอริยสัต์นั่นแหละอยู่ในมรรคสัตว์นั่นแหละฉะนั้นภาษารีบุตรจึงกล่าวว่ากุศลธรรมทุกชนิดประชุมลงที่อริยสัตว์เหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดประชุมลงที่รอยเท้า ช้าง อ, อันทองก็บอกว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดพรหมจรรย์เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์อันนี้เป็นไปเพื่อสิ้นสิ้นทุกไหนนะเพื่อทุกเพื่อให้หมดทุกไหนทุกแห่งว่าขาทุก ทุกในอดีตหรือในอนาคตหรือในปัจจุบันเอ้าถ้าหากว่าทุกในอดีตเอ้ามันก็ผ่านไปแล้วทำมันทําไมทุกในอนาคตยังไม่ถึงเลยจะทำไปทําไมทุกในปัจจุบันจะมาแก้ตรงไหนเออแล้วทุกไหนไม่เกิดแล้วค่ะทุกคือไม่เกิดแล้วนะทุกไหนก็คือทุกที่จะเกิดด้วยอํานาจของกิเลสกิเลสที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุให้ได้ปฏิสนธิใน กามาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิก็ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสเหล่านั้นน่ะซึ่งเป็นเหตุปฏิสนธิในพบที่ยังละไม่ได้ไอภพที่ว่านี่อยู่ตรงไหนมันจึงไม่ต้องคิดต่อไปมันจะต้องศึกษาเรื่องอริยสัจแต่ถ้าคิดเลยไปข้างหน้าอีกนะบางทีเนะี่ยถ้าจิตไม่เย็บคายจะเป็นอุเฉททิธิหรือสัสตตทิธิอย่างใดอย่างหนึ่งแนะ่นะถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีนะนะ จะเป็นอุเฉททิฐิหรือเป็นสัตสตะทิฐิง่ายมากนะงั้นก็ปฏิบัติเพื่อให้มันศูนย์สินะทีนี้เราก็จะคิดไปเอ๊ะพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เนี่ยนะเป็นมิชาทิธิด้วยนะนะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของคนพูดมีความเข้าใจไม่ถูกต้องนะนั้นก่อนที่จะกล่าวในเรื่องนั้นผู้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องอริยสัจอย่างดีดังนั้นพระโจรองค์คลิมานั้นก็ได้ บวชสมความประสงค์ไไหมบาทและจีวร อ, อันเป็นริษก็สำเร็จขึ้นพร้อมด้วยพระดำรัตน์นั่นเทียวบอกว่าจงเป็นภิสุมาเถิดนะเป็นภิสุเลยก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหมีดโกนที่ไหนมาปลงแล้วแล้วก็จะมีบริขารแดเกิดขึ้นพร้อมสมบูรณ์ในขณะนั้นเทศครหัสของท่านอันตรธานไปสมณเพศปรากฏแล้วท่านมีบริขารแคือบริขารแดนะไตรจีวร นะผ้าสามผืนก็คือสบงสังคติและกรากห์จีวรนี่เคระาะห์ไตรจีวรนะและบาทมีดเข็มประคดเอวรวมเป็นแปดกับผ้ากรองน้ำนะสมควรแก่พิสุผู้ประกอบความเพียรแลว้วอย่างนี้นะท่านก็ได้บวชสมความปารธนาเขาบอกว่าการรมอะไรที่ทำให้ได้ได้บริหารแปดหรือได้บวชเป็น เอหิพิคุอุปสัมปทาเพราะฉะนั้นในดีกาพระวินัยนะในในภาคสี่ในในภาคสี่หน้า92บนะฉบับแปลนะท่านอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นพิกสุมาเถิดดังนี้ความว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยแห่งบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิของยักษกุลบุตรนั้นคือข้อความอันนี้ขยายเพื่อพยสะอยู่ น, น, นทรงเห็นการถวายอัถบริขารมีจีวรเป็นต้นในชาติเป็นอนเนกก็คือได้ถวายจีวรเนี่ยมาหลายชาติแล้วละ่ะจึงได้ตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดท่านในั่นเองยศะะกุลบุตรนั้นก็มีผมอันปรงแล้วและครองผ้ากาสาวพัฒมีบริขารแตของพิสุ8อย่างสงบอยู่ในร่างกายทีเดียวเหมือนราวกับพระเทระร้อยพรรษานั่งถวายนมันสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็บุคคลใดถวายอัฐบริขารมีจีวรเป็นต้นมีบาทจีวร อ, อย่างเดียวแก่พระอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นหรือแก่ปุถุชนนั่นเองพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่านะบอกว่าถวายแก่พระอริยหรือผู้มีศีลนะตั้งความปรารถนาว่าขอาการถวายบริขารนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความเป็นเอหิพิคุในอนาคตเถิด เมื่อถึงความถึงพร้อมแห่งบุญญาที่การมีอยู่ตามความปรารถนานั้นเพีงทราบว่าย่อมเป็นไปเพื่อการได้บริขารอันสําเร็จด้วยฤทธิ์เฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายแก่บุคคล น, นั้นพระพาหิยะเนี่ยนะพระพาหิยะเนี่ยขณะเป็นผ้าอรหันแล้วขอบวชกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกพระองค์จะไม่บวชให้แก่คนที่ไม่มีบาตรและจีวรเพราะว่าพร ะ, ะ, ะ, พ, ระพาหิยะนั้นไม่ได้ทําบุญประเภทนี้เอาไว้ไม่เคยถวายผ้าไว้ ไม่เคยทำบุญประเภทไตรจีวรเอาไว้ท่านก็เลยไม่ได้บวชดด้ดยโดยเอหิพิขุอุปสมปทานั่นแหล ะ, ะข้อความในเรื่องของนางวิสาขาในเล่ม41นะอา ธ, าธรรมบทในหน้า86กล่าวว่าจีวรทานของหญิงทั้งหลายย่อมถึงที่สุดด้วยเครื่องประดับชื่อว่ามหาระดาปาษาธนานะถ้าหากว่าผู้หญิงถวายผ้าเนี่ยนะถ้าไม่ได้บวช แต่ผู้หญิงบอกอถ้าโยมไม่ได้บวชและถวายผ้าจะได้เระดีสงยังไงเหมาอนกันก็บอกว่าผู้ที่ถวายผ้าอันนะอันนี้สงสูงสุดก็คือจะได้มหารดาประสาธนะมีราคาประมาณเก้าเก้าโกดเก้าสิบล้านะคนนั้นจะต้องมีกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกจึงจะใส่ได้ น, นั่นแหะนั่นแหละเพราคนนั้นต้องมีบุญนางวิสาขาเนี่ยมีกําลังมากนะเพรานางวิสาขาเนี่ยมีเครื่องประดับเพชรสีธนานคิดดู ในเครื่องประดับอันนั้นเพชรสี Pepsi ทนานนะเก็บอกว่าจีวรนาธานของบุรุษทั้งหลายย่อมถึงที่สุดด้วยบาทและจีวรอันสาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์นั้นใครอยากรู้ว่า เ, ออเรื่องคนที่มีเครื่องประดับมหารดาภาษาคณะนั้นก็คือไปดูในเรื่องนางวิสาขานะในเล่ม4 1ทีนี้กล่าวต่อไปถึงเรื่องของพระ อ, องคคลิมานต่อว่า ทั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระองค์คุริมาลเป็นพระปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วนะมีพระองค์คุริมาลเดินตามต้อยต้อย ต, อย ต, อยตอยนะไม่ถือดาบและถือบาตรแทนแปลกนะชูดพริปตาเดียวนะจากถือดาบเนี่ยมาเป็นถือจีวรถื อ, อถือบาตรเนี่ยเก่งมากนะพระองค์เนี่ยฝึกชั้นหนึ่งเลยเนาะเราอยู่ที่ไหนนะพระองค์มองไม่เห็นเราหรือไงเมือตอนนั้นน่ะเนาะ ได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถามินทิกเศรษฐีเขตนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระรา ช, ชวังวังนั้นเกิดการประท้วงใหญ่หน้าวังพระเจ้าเปรเที่โกศลว่าส่งเสียงอื้อ่อว่าข้าแต่สมมุติเทพในแเว้นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองคุลิมาน เป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดตักใจในการฆ่าการตีไม่มีความการุณาในสาตร์ทั้งหลายโจรองค์คลิมานนั้นน่ะกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทาเมืองไม่ให้เป็นเมืองเหมือนกันเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพงจงกำจัดมันเสียร์เหมือนกันขอกําลังทหารไปสู่รบเหมือนกันเอาไปประท้วงใหญ่เลย ครงนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระ บ, บวนม้าประมาณห้าร้อยกักองทัพม้านะอ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทหารมา้าสมัยนี้ก็มีนะทหารมา้าทหารม้าสมัยนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมทหารรถถังอะ่ะม้าสมัยใหม่ม้าเหล็กก็คือรถถังนั่นเองงั้นสมมุติว่าค่ายไหนมีรถถังนะ่ยเขาเรียกว่าทหารมา้านะม้าเหล็กอะ่ะ แต่ก็ม้าจริงๆก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นม้าเหล็กทั้งนั้นเลยอย่างอ่าที่ที่ปัจจีน่ะที่ปะจจีนเนี่ยเขาเข า, เขามีนิมยมกองพันธหนึ่งกองพันทหารม้าก็บอกเขาก็รับไปเอ๊ยไหนม้าอยู่ที่ไหนก็บอกพวกนั้นแหละท่า น, น่ะรถถังนั่นแหละเลี้ยงรถถังงั้นไม่เลี้ยงม้าไม่ต้องหายาละ <c oughs> นั่นแหละทีนี้ก็จัดกระบวนกัรสมัยนี้ก็เอารถถังไปเลย500ค่ะร้อยคันน่ะนะ <c oughs> นี่ก็เป็นทหารม้าก็ <c oughs> ทีนี้พระเจ้าประเซนที่โกศลนี่ก็จะเอาอยัางไงดีว่าอะจะไม่ไปเดี๋ยวเพราะว่าพระราชาไม่รับผิด ช, ชอบอจะไปเดี๋ยวถูกฆ่าจะเอ า, อางไงดีแวะไปวัดซะหน่อยเดี๋ยวไปฟังที่พระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไงถ้าหากว่าไปแล้วเราชนะพระพุทธเจ้าก็คงให้เราไปอ่ะคงคงก็ไม่ตัดอะไรแสดงว่าเราได้ดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไปแล้วแพ้เนี่ยพระองค์คงไม่ปล่อยคงไม่รักษาเราเฉพาะชาติหน้า้มาคงช่วยสงฆ์เราในชาตินี้ด้วยเข้าไปวัดซะก่อนนะก็เลยเข้าไปยังอารามทีเดียวสเสด็จ ไปด้วยพยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้ก็เสด็จลงจากพระราชยานส่งดาเนินไปด้วยพระบาทนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนที่โกศลผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนมหาบาพิษ พระเจ้าแผ่นดินมหามาคตจอมเสนาพนามว่าพิมพ์พีสารทรงกระทาให้พระองค์ทรงขัดเครื่องหรือหนอหรือว่าเจ้าฤทธชวีเมืองเวสาลีหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เราอื่นโอ้ย โ, โกรธใครนะจะยกยกอะไรเนื่องว่าพระราชาเมืองอื่นยกทัพมาหรือไงหรือว่าไปทะเลาะ ก, กับพระราชาเมืองไหนมาเหมือนกันเอากองทัพมาได้ใหญ่โตเลยพระเจ้าปเปเสน่โกศธกรฟฟับทูลว่าข้าแต่สมุติเทไอ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพ์พิสารมิได้กระทรงกระทาให้หม่อมชันขัดเครืองแม้เจ้าฤาวีเมืองเวสาลีก็มิได้ทรงทําให้หม่อมชันขัดเครืองแม่พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็มิได้ทําให้หม่อมชันขัดเครืองข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญในแวดแควนของหม่อมชันมีโจรชื่อว่าองค์ุลิมานพระคนเดียวนะโจรคนเดียวเนี่ยยกปองทับมาเลยนะ เป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดตักใจในการฆ่าการตีไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจนั้นกระทาบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทานิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอามือร้อยเป็นพวงหมอมชั้นเนี่ยจะกกาจัดมันเสียองค์ตรัสวา่าดูก่อนมหาบาพิษพึงทอดพระเนตรพระ อทอดพระเนตรองค์คุลิมานผู้ปลงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นปชิตบันปชิตเวน้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เวน้นจากการพูดเท็จฉันทัฒ ต, ตาหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกาลยานธรรมมหาปพิธจะพึงทําอย่างไรกับเขาถ้าเขามาบวชมีศีลมีธรรมเนี่ยพระองค์จะทํำยังไงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันก็พึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื่อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรุงเขาด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปั จ, จัยเพสัชบริขารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมถ้าเป็นพระจะอุปทาทุกอย่างเลยแหละว่างั้นข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญแต่โจรองคุลิมานนั้นเป็นคนทูตศีลมีบา ป, ประรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานั้นแต่ที่ไหนว่างั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว่างั้น สมัยนั้นนี้ท่านพระองค์คุลิมานก็นั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาชี้ตรัส บ, บอกพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าดูก่อนมหาบาพิษนั่นองค์คุลิมานลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล น, นี่ก็มีความหวาดกลัวหวาดวันโล ม, มาชาติชูชันเ น, นี่ยขนในลุก ส, สู้สู้เลยนะกขาบอกว่าทหารที่มาด้วยเนี่เพ่นปาราบหมดแล้ว <c oughs> พอได้ยินนั่นองคุลิมานโอ้โหสงสัยรู้ว่าเราจะไปฆ่าว่าเตรียมมาสู้แลนะ้ว บอกทหารเนี่ยหนีเลยเนะอะไรก็หานท่านอธิบายอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ ว, ว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยทรงกลัวหวาดวันมีพระโลมชาติชูชันแล้วก็ได้ตรัส ก, กับพร ะ, พระเจ้าเปรตที่โกศลว่าอย่า ก, กลัวเลยมห า, าพิธีอย่าทรงกลัวเลยมหาปิธีภัยแต่โจรองค์ุริมานนี้ไม่มีแก่มห า, าพิธีครั้งนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงระงับความกลัวความหวาดวันหรือโลมาชาติชูชันแล้วได้เข้าไปหาท่านพระองค์ุริมานถึงที่อยู่ คั้แล้วได้ตรัสกับท่านพระองค์คลิมานว่าท่านผู้เจริญพระพระองค์คลิมานผู้เป็นเจ้าของเราว่างั้นโอ้เสดุงหน่อยๆว่างั้นเนาะพระองค์คลิมานก็ถวายพระพรอย่างนั้นมหาบพิษพระเจ้าพระเศสนิโกศนก็กล่าวว่าบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรดูก่อนมหาบพิษบิดาชื่อว่าคัคขะมารดาชื่อว่ามันตานีพระเจ้าพระเศสนิโกศนก็กล่าวอ่า ท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคมันตานีบุตรจงอภิรมเร์เถิดข้าพเจ้าจะทํา ก, การคุ้นควายเพื่อจีวอนบินทบาทเสนาสนักกีฬาณะานะปัจัยเภสัชบริขารแก่พระผู้เป็นเจ้าคัคคามนตานีบุตรเออเดี๋ยวจะเป็นอุปถาคให้ก็แล้วกันเหมงอนกันเสร็จแล้วพระเจ้าประเสริฐทีโกศลเนี่ยก็มีผ้าผ้ามาด้วยคนอินเดียจะมีเป็นผ้าใช่ไหมก็ถอดผ้าถวายพื้นหนึ่งเลย สมัยนั้นถ้าองค์โคลิมานเนี่ยถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านเนี่ยเป็นพระที่สมาทานทุดมครั้งนั้นท่านถ้าองค์โคลิมาก็ได้ถวายพระพรพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลว่ายาเลยมหาบพิตรใจจีวรของอาตมาภาพบริบูรณ์แล้วทีนี้ครั้งนั้นพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ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 เพราะว่าหม่อมชั้นไม่สามารถจะทรมานผู้ใดไ ด, ได้แม้ด้วยอาจยาแม้ด้วยสาตรานะขนาดใช้กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะฝึกเขาได้ใช้อาวุธก็ไม่สามารถที่จะฝึกเขาได้ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคย้าทรงทรมานได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาตราฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นทูลขอลาไปในบัดนี้อันธ า, านี้ในยังพันเตเ่างอนน อ่อปุชามะพระหูกิจจามาย่างพระหุ ก, กาลนิยาว่างั้นแต่ท่านผู้เจริญหม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากว่างั้นพระหูกิจจาประงานมากกิจมากกรณียะมากว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ทูลขอลาแล้วนะว่างั้นอปุชามะก็คือบอกลาแล้วว่างั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาบพิตรจงทราบการอันควรนะบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสริโกศลลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วเสด็จดีกไปนั่นแหละ ว, ว่าตอนท่านจั บ, บรรลุเป็นพระทหานหรือเปล่านะได้อยู่แล้วเนอะแต่ว่าจะ บ, บรรลุได้อย่างไรนะว่ากรรมที่ท่านทำแล้วจะให้ผลอย่างไรบ้างก็คงเป็นวันต่อต่อไปถ้าโทสะไม่เกิดเนี่ยข้าไม่ลงล็อกนั่นแหละคือจิตเนี่ยขณะนั้นเนี่ยโลภะเต็มโทสะโทสะนี่มมาก อ, อาศัยโลภะนั่นแหละอยากจะจบวิชาใช่ไหมโลภะนั่นเป็นเหตุ แล้วก็ทำให้เกิดโทสะเค้นฆ่าไม่ได้ฆ่าด้วยความแค้นะไรหรอกแต่ว่าอยากจะจบวิชานะถ้าฆ่าครบพันก็จะได้จบจะได้กลับไปบ้านเมืองสักทีหนึ่งคิดถึงแม่และนั่นแหละพันด้วยอำนาจของการคบป่าประมิตรแต่ว่าถึงจะฆ่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็คือตานาธิบาตก็คืออากุศลเจตนาอากุศลเจตนานั้นมีโทสะเป็นเป็นเหตุตปัจจัยให้นะ ขาดความเมตตาขาดความกรุณาก็ถึงกับการเขียนฆ่าแต่ว่าอย่าคิดว่าการรมเหล่านี้จะไม่ให้ผลท่านนะเนี่ยวันหลังขนาดไปบินทบาทเนี่ยจีวอยังขาดเลยอะ่ะอันก็คงไม่มีใครถามนะอ่าบาปเนี่ยบาปแน่ละแต่ก็ไม่กล่าวถึงเพราะว่าอ่าไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ไม่บาปเพราะว่าหนึ่งนะผู้ที่ชักชวนในการฆ่าก็บาปอยู่ลว เป็นล่วงอาภุตนด้วยนะสมมติถ้าใช้ให้คนไปฆ่าแล้วเขาฆ่าตายหนึ่งคนเราจะต้องบาปด้วยหนึ่งครั้งนี่ใช้ให้ฆ่าหนึ่งพันนะเขาฆ่าได้เก้ารอยเก้าสิบเก้าศพนั้นเรามีส่วนบาปทุกคนที่เขาฆ่าถือว่ามีส่วนหมดเลยจะพูดเวงในหนึ่งอ่ะนะก็เป็นโทษของของการคบมิตรชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถามว่าทาไมจึงได้ครบมิตรชั่ว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 อย่างอย่างเช่นมีมีเด็กคนหนึ่งะนะไม่ไม่ไม่อยากฆ่าสัตว์บอกไม่ฆ่าหรอกแต่ว่าคนที่เป็นญาติเนี่ยบอกเป็นคนทําไมไม่ฆ่าแค่ฆ่าบอกสั่งมาเลยอ่ะดูถูกเหยียดหยามไม่ต้องไปฆ่านั่นแหละฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะนี้ค่อนข้างมากแล้วชีวิตในในชนบทเนี่ยจะจะเป็นลักษณะนั้นนะส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ฆ่าเขาก็ไม่ได้กินอ่ะเมื่อเขาไม่ฆ่าเขาไม่ได้กินปั๊บเนี่ยนะถ้าสมมุติจะไปสอนเรื่องไม่ฆ่าสัตว์นะ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 แต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราศึกษาพระธรรมคําคสอนเพื่อเป็นไปเพื่อสิ้นทุกขนะเราก็จะเรียกว่าปล่อยใจไปสบายๆ ย, ยังไม่รีบนิพพานหรอกเงี้ยปล่อยใจไปสบายๆถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาอีกนะเราก็บอกก็ยังไม่รีบนิพพาน <c oughs> องคตอ์ต่อไปอีกก็ยังไม่รีบนั่นแหละ ก, ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนโยมท่านหนึ่ง โอ้คุยบางทีดูเหมือนกับไฟไหม้บนที่ตะพอคุยไปอีกครั้งหนึ่งก็บอกแกก็ไม่ได้รียบนี้พานอะไรกขาแบั้นเรานี่เงียบเลยอ่ะคือเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าตะไม่มีโทษแล้วบางคนเนี่ยนะอาเป้าหมายเพื่อที่จะรู้แจ้งคำสอนเนี่ยแทบไม่เคยตั้งไว้เลยในความคิดนั้น น, นถ้าหากว่าคนที่ตั้งจิตไม่ได้ตั้งใจเพื่อรู้คาสอนนะเขาเขา้านาหน้าเสียดายมาก ถึงพระผู้มีพระภาคองค์ต่อๆไปมาตรัสรู้ก็อย่าคิดว่าเขาจะได้ตรัสรู้ทำเพราะเขาไม่ได้ตั้งจิตไว์ทําไมพระอริยาสาวกสมัยก่อนจึงได้บรรลุธรรมอาณาธาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้แสนกับนางวิสาขาก็ตั้งความปรารถนาไว้แสนกับพระอานนท์ตั้งความปรารถนาไว้แสนกับพระสารีบุตรหนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับน ะ, กะนะฮ้างๆกันนะ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 กุศลจึงมี2ลักษณะด้วยกันคือวัตถคามินีกับวิวัตาคามินีกุศลที่เป็นไปเพื่อวัตถะกับกุศลที่เป็นไปเพื่อวิวัตถะนะกุศลใดที่ตั้งเป้าหมายเพื่อรู้อริยสัจกุศลนั้นเป็นกุศลประเภทวิวัตถะแต่ถ้ากุศลใดตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่อรูปสวยๆเกิดมามจะได้รูปงามกว่า น, นี้อีกหน่อยใช่ไหมเสียงจะได้เพราะๆกลิ่นจะได้ดีๆ พวกนี้เรียกว่ากุศลประเภทวัตตะนั่นแหละเราควรตั้งกุศลประเภทวิวัวะตะเอาไว้วันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ขอให้มีอัตตะสมมาปณิที่ไว้เป็นเบื้องต้นเบนเข็มทิศไว้ให้ถูกก่อนนะถ้าเบนเข็มทิศไว้ถูกแล้วนะถึงเราเดินแค่เก้าเดียวก็ถือว่าไปแล้วนะแต่ถ้าเบนเข็มทิศไว้ผิดนะขยันมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะถึงเป้าหมายใช่ไหมไม่รู้ว่าจะออกที่ไหนก็ไม่รู้นะ สมมติว่าจะไปกรุงเทพดันออกไปทางเชียงรายเนี่ยถึงไหมาจากเชียงรายไปออกเมืองจีนจะออกไหนอีกเนอะนุนถึงหรือเปล่ปามาท ก, กรุงเทพอ่ะถึงมีน้ํามันมากก็ถึงรถดีมีน้ํามันมากก็ไม่แน่ว่าจะถึงกรุงเทพใช่ไหมแล้วป่วนเปลี่ยนไปแถบชายแดนเขายึดรถเลยเลยอดเลยครั้นี้นั่นแหละเพราะนั้นเป้าหมายที่ถูกนั้นควรตั้งเอาไว้อตตาซัมมาปณิทิ